50 t languages. ห้าสที่ทาการไพรสเนีอันเชกัชเชรียลีที่ทาการไพรสเนีที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนอิลีหัตถิระดัลลีอันเชกัชเชรียลีอีเด ที่ทำการไพรส์นีใกล้จากที่นี่ไหมอันเชกัเชรีอิ ล, ลินดาดูเรเวตู้ไพรส์นีที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนอิลลีหัตถิระดัลลีอันเชเปิติเกเยอิลลีเดดิฉันต้องการสแตมสองสามดวงนันเกอวนเดรดูอันเชชีติกาดูเบกู สำหรับก๊าซและจดหมายวนดูคากะเกะม ต, ตวนดูัตระเกะค่าส่งไปรษณีย์ไปอเมริการาคาเท่าไหร่อเมริกาเกะเยสตูอันเชเวชชาอาุตเตเดพัสดุหนักเท่าไหร่อีปอตต d นดาตูกะเยสตูดิฉันส่งทางจดหมายอากาศได้ไหม นานอิดนอร์เมลนัลคิสบุเดใช้เวลานา น, านเท่าไหร่กว่าพัสดุนี้จะไปถึงอดูอัลลีทลุลูเยชตูสมยาดียุตเตเดดิฉันโทรศัพท์ได้ที่ไหนนานูเยลลินดาทรศัมาดบบดูตู้โทรศัพท์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน อิลลี่ั ต, ติรดลลี่โทรศัพบูธอิลลีคุณมีบัตรโทรศัพท์ไหมคะนิมมลลี่โทรศัพท์กร์ดอิเดเยคุณมีสมุดโทรศัพท์ไหมคะนิมมลลีดูรวานีสังเกกลาพุสตกาอิเดคุณทราบรหัสโทรศัพท์ของประเทศออสเตรียไหมคะ นิมันเกออสตรียเดชดาโคดกุตติเดย์รอสักครู่ขอดูก่อนนะคะวนดุกชนาะนานูโนดเตเนสายไม่ว่างตลอดเวลาอีลอินอค้าเรียนรัตวากิเดคุณต่อเบอร์อะไรนีวูยาวสังเขยัยนนูไอเคมาดิ ด, ดีรี คุณต้องกดศูนก่อนนี่วูโมเดลิกะสนนัยอันโนฮะคบ